สนาฬิกาสินาทีนะคะตอนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ชั่วโมงนี้ค่ะคุยกับนักเขียนนักแปลของเรานะคะวันนี้มีแขกพิเศษค่ะคุณชนวิชัยดิตนะคะเจ้าของผลงานเขียนหนังสือเทฟ้าอัศจรรย์ค่ะวันนี้สัญญาณจากวิทยากรของเราก็พร้อมอยู่ในสายแล้ว<ม>ด้วยนะคะขอต้อนรับคุณชนวิชัยดิตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชนครับค่ะสัญญา นงน ด, ดค่ะดีนะครับบคุณนงนดค่ะค่ะวันนี้เป็นเกียรติและยินดีมากๆเลยค่ะที่จะได้มีโอกาสสนทนากันจริงๆออทราบข่าวเรื่องของหนังสือเทฟ้าอัศจรรย์นะคะที่ ค, คือต้องพูดว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีกับคุณชนด้วยนะคะที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่นในงานด้วยใช่ไหมคะอ่าใช่ครับรู้สึก<ช>ยังไงบ้างคะเออไม่ไม่คาดคิดนะครับว่าว่าจะมีโอกาสได้รับพระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่นนะฮะเนี่ยเรื่องแรงแล้วก็ต้องขอบคุณสปทออครับที่เห็นค่าคุณค่าของหนังสือเรื่องนี้นะครับแล้วก็เกิดมาทั้งมอบรางวัลดีเด่นให้ อื ค, ค่ะเห็นคุณชนเขียนไว้ในหน้าเพจ a ฟ e b o o k ของตัวเองว่ามาไกลเกินกว่าที่คิดไว้จริงๆรอใช่ครับใช่ใช่ใชคือหนังสือเรื่องนี้ตอนแรกเรื่องของเรื่องอะ่ะก็คิดว่าเนื่องจากมันไม่มีหนังสือทำนองนี้อยู่ในตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มต้นดูดาวใหม่เมื่ม่ใหม่ๆมาก่อนอะนะครับค่ะก็ พอมีโอกาสเรามีข้อมูลแล้วก็พอที่จะทำได้เนี่ยก็พอทำขึ้นมาเสร็จเนี่ยก็ ก, ก, ก็คิดว่าเพื่อนๆ น, นาตดูดาวน่าจะได้ใช้ประโยชน์อะไรครับก็ไม่ได้นึกว่าแบบว่าถึงแบบได้รางวัลสุดที่เด่นคระค่ ะ, ค, ะคือต้องบอกว่าด้วยความรักความชอบส่วนตัวเลยนะคะที่ทำให้เหมือนเออจะใช้คำว่ายังไงดีคะเหมือนโฟมฟักเนาะฟฟมฟัก ทะนุถนอมนะฮะจนหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งก็เหมือนเหมือนลูกน้อยๆของเรานะฮะออกมาแบบเป็นรูปเล่มสมบูรณ์แบบได้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ฟังหนังสือของคุณชนเนี่ยใช้เวลานานมากๆนะนานอย่างเหลือเชื่อ <c oughs> กี่ปีคะหกปีครับประมาณหกถึงเจ็ดปีครับโอ้โหโอคือหม <c oughs> ถึงว่าเริ่มเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับค่ะ <c oughs> จริงๆอันนี้มันรวมช่วงโควิดด้วยว่าโควิดนี่ทําให้เราก็หายไปประมาณสักปีสองปีนะครับ<อ>ที่เราทำอะไรไม่ได้แต่ว่วอเอะแต่ว่ารวมๆแล้วก็ยาวนานนะครับออกเป็นเสร็จก็รู้สึกจริงๆอ่ะผมรู้สึกมีคนถามเยอะว่าแบบรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยผมก็ตจะบอกตามตรงว่ารู้สึกโล่งใจที่เสร็จสัที <S <S <S <S เอใช้เวลาหกปีเต็มๆเลยนะใช่ครับใช่ใช่เพราะผมเองไม่ใช่นักเขียนนะครับค่ะเรื่องของเรื่องผมไม่เคยเขียนหนังสือมาก่อนนะครับคืนนี้เป็นผลงานเล่มแรกในชีวิตเลยใช่ครับใช่ใช่โอ้แต่เป็นเล่มแรกในชีวิตที่<น>เปิดมาแล้วก็เปรี้ยงปร่างเลยนะคะก็อต้องขอบคุณต้องขอบคุณทางสำนักพิมพ์นะครับแล้วก็ ครูที่สอนเขียนนะฮะก็ก็จะเป็นกองบอกกอสารคดีเนี่ยคือคือไอ้ก่อนหน้าเนี้เนื่องจากว่าผมไม่ใช่นักเขียนผมไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงค่ะก็พอดีอย่างสาพิมพ์สารคดีเขาเปิดคลาสเล็กๆที่แบเขียนสารคดีจับเงินที่อะไรเงี้ยอืก็ไปเรียนเขียนกับทางกองบอกกสารคดีว่าแบบวิธีการเขียนทํายังไงก็ได้บทความมาชิดนหนึ่งได้รับการตีพิมพ์เลยค่ะ นิตย ส, สารสารคดีอะไรเงี้ยครับก็อันนั้นเป็ครั้งแรกที่แบบว่าอ๋อเราก็เขียนเกินหนึ่งหน้า A4 ได้เนาะไม่เคยคิดว่าจะเขียนได้แบบยาวขนาดนั้นค่ะ <c oughs> ก็อีกครั้งหนึ่งก็มีพี่ที่รู้จักกันเขาก็รู้ว่าผมตอนเขียนหนังสือเล่มนี้อยู่เขาก็เลยอยากให้ผมไปโรงเรียนเขียนจริงจังกับกับและเขียนอีกท่านหนึ่งคือคุณฟรายพัแสออ <c oughs> ฮะก็คุณปลายพันแสงก็มีคลาสเขียนพอดีตอนนั้นผมก็เป็นระียอก็เลยเออได้พอพอจะได้รู้แบบเน็คร่าวๆว่าแบบเออมันจะต้องทำอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะเอออันนี้ก็คือเป็นครูสอนเขียนครับออทั้งกองากคดีแล้วก็คุณปลายพันแสงด้วยค่ะค่ะคือเริ่มต้นจาก <c oughs> ใจรัก สมัครเล่นก่อนทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูดาวหรือว่าการเป็นนักเขียนแต่มาบัดนี้เนี่ยเรื่องที่เราแบบเหมือนเรียนเรนเล่นเล่นแต่ตอนนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นเป็นจริงเป็นจังแล้วนะคะตอนนี้คือเรียกได้ ว, ว่าเป็นนักดูดาวที่ไม่ใช่นักดูดาวธรรมดานะคะคุณผู้ฟังคือเป็นวิทยากรด้วยใช่ไหมคะอ่าใช่ครับใช่คือ อ่าจริงๆ จ, จ, จริงๆอ่ะมีมีคนอย่างในงานหนังสื่อที่ผ่านเราก็มีคนเขาเข้าใจผิดแล้วเขาเขาคิดว่าผมเป็นอาจารย์ส oh. อนวิชาดาราศาสตร์อยู่ค่ะที่มหาลัยไหนหรือโรงเรียนไหนครับพี่หนึ่งคือเขาเขมาสอบถามว่าเป็นอาจารย์อยู่ที่ไหนใช่ใช่ครับใช่ใช่คือเก <c oughs> ิดทั้งหมดเขาเขาไม่คิดว่าแบบอันนี้มันเป็นมันเป็นฮ็อบปี้นะครับเป็นงานอดิเลกของผมเองค่ะอันนี้แหละค่ะที่น่าสนใจคุณชนค่ะดี่ฉันอยากจะขออนุญาตสอบถามนิดนึงเพราะว่า ทราบว่างานประจำเนี่ยเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ทำไมงานอดิเรกของเราเนี่ยถึงเป็นเรื่องของการดูดาวและไม่ใช่เพียงแค่ ง, งานอดิเรกที่แบบเล่นๆ เ, เป็นพักๆนะคะคุณผู้ฟังคุณชนวิชัยเดชเนี่ยดูดาวมากว่า20ปีแล้วด้วยอะไรคะที่ทำให้เราลหลงไหลการดูดาวอืมจริงๆแล้วอันที่แบบทำให้ผมเอ่อ ดูดาวแล้วก็สนใจเรื่องนี้มาได้ยาวนานนะครก็คือการที่ผมได้วาดแล้วก็จดบันทึกบันทึกการสังเกตสังเกตแล้วก็วาดแล้วจดบันทึกสิ่งที่เราเห็นจากท้องฟ้านี่แหละอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่างานอดิเรก ข, ของผมมันมีเป้าหมายแล้วก็มีความชัดเจนไม่ได้แบบทำเพื่อความชอบเฉยๆไม่ใช่ค่ะ มันการการสังเกตแล้วก็ได้จดบันทึกเนี่ยมันทําให้เกิดการเรียนรู้ครับเราได้รู้สิ่งใหม่ๆเราก็ได้เรียนสิ่งใหม่คืออันนี้เป็นเป็นการเรียนรู้โดยตรงนะไม่ได้ผ่านการออ่นั่งในห้องเรียนฟังอาจารย์เราออกไปดูไม่ใช่ <c oughs> มันจะเป็นการเรียนรู้ในอีกอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าเราเราดูของจริงสังเกตเห็นของจริงแล้วก็จดบันทึกสิ่งที่เราเห็นค <c oughs> แล้ว มีข้อสงสัยที่เราอยู่อยู่ในใจเราก็ค้นหาข้อมูลทีหลังเพื่อมาตอบตอบคําถามที่เรามีมีข้อสงสัยหรือว่าเปรียบเทียบสิ่งที่เราเห็นกับนักดาราาท่านอื่นที่เขาเคยเคยสังเกตและเคยบันทึกไว้อย่างไงครับมันแตกต่างให้มันมีรายละเอียดอะไรที่เราตกหล่นไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจาได้ไหมคะใช่ครับ ขอพายคะ่ะจำได้ไหมคะว่าครั้งแรกที่เริ่มจริงจังกับการดูดาวที่แบบมีการไปสังเกตไปจดบันทึกเนี่ยที่ไหนเมื่อไรอย่างไรคะเออครั้งแรกนะครับเป็นเป็นการ observe กระจุดดาวลูกไก่ที่แบบผมมีมีอยู่ในสมุดบันทึก น, นะถ้าผมคือป็นมีคือได้ไม่มีสองสองตัวมั้งถ้าไม่ เนบูลาในกลุ่มดาวในพลานก็จะเป็นกระจุนดาวลุกใจที่จุดที่ออกเซอร์ปเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอ่างเก็บน้ําแถวแถวแถวใายเชิงเซาครับเพืี่ยนอะไรสักอย่างเลยนะจําจําไม่ได้แล้วค่ะคล้ายคล้ายครับคลาว่าเป็นแถวนั้นแหละใช่ครับนแถวนั้นแหละแล้วก็แบบไม่มีคนเลยมีร้านค้าผมจําได้ว่ามีร้านค้าอยู่หนึ่งร้านมีต้นไม้โดดเดทําการทุ่งหญ้าอยู่หนึ่งต้น ร้อนมากเราขอโทษนะครับพอดีร้านอาหารร้านนั้นเนี่ยก็เป็นที่เดียวเป็นร้านค้าเดียวที่แบบเหมือนกับกเป็นเป็นจุดเดียวที่เราในบริเวนั้นที่เราจะหาข้าวกินได้ ม, มีน้ามีห้องน้ำอะไรยเงี้ยครับ <c oughs> ครับประมาณนั้นค่ะอันนั้นเป็นจุดแรกเลยที่แบบรู้สึกว่าเราเริ่มจริงจังแล้วกับการดูดาวใช่ไหมคะเออเป็นจุดแรกที่เริ่มสเกจครับเป็นจุดแรกที่เริ่มสเกจ แล้ว เ, เราก็พบว่าโอกาสสเกจนี่มันว่มันเปลี่ยนทุกอย่างยังไงฮะคือคือตอนแรกเนี่ยเวลาผมดูดาวช่วงต้นนะครับเหมือนกับคนอื่นทั่วไปก็คือเวลาดูปุ๊บเราก็ผ ห, หาเจอแล้วเราก็ไปตัวใหม่มเจอบ้างไม่เจอบ้างเราก็ไปตัวใหม่แป๊บเดียวเราก็เราก็ท้ายสุดเราก็รู้สึกว่าทุบบนท้องฟ้าเนี่ยอธิบายก่อนตลอดคนที่ไม่ไม่เคยดูดาวด้วยกล้องดูดาวนะครับ มันมันไม่ได้มีแค่ดาวแต่มันจะมีกระจุกดาวมีเนบูลา่ามีกาแล็กซี่มีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งมองด้วยตาเปล่าอาจจะเห็นบ้างไม่ค่อยเห็นนะต้องใช้กล้องดูดาวดิค่ะทีนี้ไอ้พกนี้เ อ, อ่อเวลาแรกๆที่เราที่ผมดูเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันเหมือนกันหมดอย่างกระจุกดาวเนะ่มันก็จะเหมือนกันทุกตัวเลยมันไม่มีอะไรแตกใหม่สำนักผมดูไม่แตกต่างกันมากหรอคะใช่ใชไม่แตกต่างเลยครับ มันก็เป็นกลุ่มของดาวที่อยู่ด้วยกันเป็นแพทเทิร์นอะไรก็ไม่รู้ทีเราก็ดูไม่ออกนะครับอย่างเนบูลาก็เป็น gas จางๆฟุ้งๆดูไม่ออกกาแล็กซีก็เหมือนก้อนสัมฤทธิแปะๆอยู่บนฟ้าดูแล้วก็มันก็เหมือนเหมือนกันหมด่ะครับแต่พอผมได้เริ่มสเกจเนี่ยผมจะค่อยๆเห็นนะครว่าอ๋อที่แท้จริงแล้วเนี่ยอย่างกระจุกดาวที่เราเห็นว่ามันเคยเห็นว่ามันเหมือนกันหมดอะ มันไม่มีตัวไหนที่ซ้ำกันเลยแต่ละตัวมันมีมีลักษณะเฉพาะ ม, มันมีแพทเทิร์นของมันมันมีรายละเอียดของมันซึ่งเมื่อก่อนเรามองข้ามมาคือคุณชนกำลังจะบอกว่าการสเกจมันทำให้เราเหมือนจำแนกความแตกต่างของของขอ ง, ของดวงดาวแต่ละชนิดได้ได้ชัดเจนขึ้นใช่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการที่ทาให้เราโฟกัสแล้วเราใช้เวลากับ การสังเกตมากขึ้นกว่าเดิมแทนที่จะดูปุ๊บแล้วไปดูปุ๊บแลไปน้วออกไหครับอทีนี้พอเราใช้เวลามากขึ้นแล้วพอเรากูกัสไปมากขึ้นเนี่ยเ อ, อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมองเห็นได้ละเอียดในสิ่งนั้นๆมากขึ้นกว่าเดิมค่ะครับอืมดิ<ร>ฉันเป็นแบบ ขออภัยค่ะคุณชนคือดิฉันเป็นบแบบที่คุณชนพูดเลยคือเห็นสวยดีสวยดีเสร็จแล้วก็ไปดูดาวดวงใหม่แล้วเราก็ลืมเลือนไปในที่สุดใช่ใช่ผมก็ไปแบบนั้นเมื่อก่อนแต่ว่าไอการจดบันทึกและการสเกจเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนทุกอย่างเลยครับคือจริงๆมันเป็นมาเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ทำให้เราอยู่กับอะไรบางอย่างได้นานขึ้นนะครับที่เราจะสังเกต่ะ แค่นั้นเองจริงๆขอให้มันอยู่แค่ตรงนี้เองค่ะคือปกติเป็นคนที่ชอบสเกจภาพอยู่แล้วด้วยไหมคะผมเป็นนักออกแบบก็จริงนะแต่ว่าคือนักออกแบบกับศิลปินัมนต่างๆนะครับศิลปินเนี่ยศิลปินเนี่ยโอเคเขาอาจจะวาดรูปเขาปั้นอะไรกี้ใช่ไหมครับ<ะ>แต่ทีนี้อย่างนักออกแบ บ, กบถึงการเหมือนกับหยิบเอา สิ่งต่างๆที่มีมาประกอบกันแล้วก็สร้างขึ้นเป็นจิ้นงานใหม่ตามโจทย์ที่เราได้รับมาอะไรประมาณนั้นเราแบบเพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยมันก็จะเป็นแบบยิ่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะออกแบบวิพานนี้ใช้ซอฟต์แวร์สามิติสร้างรูปขึ้นมาเปลี่ยนเดินแบบออกมาก็าจบแล้วครับไม่ได้ไม่แทบจะไม่ได้จับดินสอเพื่อเ k ชบนกระดาษเลยออื <c oughs> นั่นคือคุณชนใช้ดินสอสเก t c h ภาพดวงดาวใช่ครับใช่ใช่โอ ก็คือใช้ดินสอสิ่งที่เราเห็นแต่เป็นแต่เนี่ยมันมันจะมีจุดที่แบบคนจะไม่เข้าใจเขาคิกว่าผมจำแล้วไปวาดจริงๆไม่ใช่คือดูตรงนั้นแล้วก็วาดเลยทีนี้ออมาเป็นกลางคืนน่ะก็ต้องใช้ไฟสีแดงเป็นโคมไฟดวงเล็กๆที่ปรับความสว่างได้ใช้แค่พอมองเห็นครับค่ะครับกว่าจะวาดเสร็จแต่ละดาวแต่ละดวงนี่ใช้เวลาเยอะไหมคะ แต่และตัวน่าจะมันแล้วแต่เลยครับอาจจะมีตั้งแต่สิบห้านาทีขึ้นไปจนถึงเป็นชั่วโมงครับ mm hmm. แล้วแต่ความยากง่ายเลยค่ ะ, ะเดี๋ยวนะในส่วนรายละเอียดของการทำงานอันนี้น่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะสอบถามคุณชนเพิ่มเติมแต่ดีฉันไปถึงเรื่องของชื่อหนังสือนิดนึงค่ะบางท่านยังมีความสงสัยอยู่เลยว่าทำไมถึงตั้งชื่อหนังสือว่าเทฟ้าอัศจรรย์อ เออริงๆแล้วชื่อหนังสือเนี่ยผมผมเริ่มจากตั้งเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับค่ะ The ล e เตียลวันเดอรทีนี้พอเราก็มาหาว่า c e เ e s t ต a l ภาษาไทยอ่ะมันมีคำไหนบ้างําว่า Celestial มันหมายถึงวัตถุบนท้องฟ้าครับจะเป็นดาวเป็นทุกอย่างอยู่อาทิตย์งจันอะไรก็ตามที่อยู่บนท้องฟ้าเขาก็ถือเรียกว่าเป็น Celestial หมดทีนี้เราก็มาเปิดขนดูเพราะว่า มีคำคนคำที่ใช้คําว่าเทหวัตถุอืมอ่าเทหวัตถุมีนะครับเทเทฟาฟ้าก็มีนะครับแล้วก็มีเทฟ้าด้วยคําว่าเทฟ้าค่ะอันนี้มีในวัชแนนุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับค่ะผมมีความรู้สึกว่าคําว่าเฉพาะคําว่าเทฟ้าเฉยๆอะ่ะเออมันเป็นคําที่ เออมันสั้นและกระชับมันอาจจะดูฟังดูแปลกหูนะฮะตอนแรกแล้วคนก็ไม่ค่อยรู้จักว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออหยิบคำนี้มาดีกว่าเพราะมันสั้นแล้วกระชับดีใช้คำว่าเทฟาาฟ้าเหมือนก็ยาวไปนิดนึงเทหาะวัตถุก็ไปขกันใหญ่อะไรยเงี้ยค่ะโอ้ยฉันฟังครั้งแรกยังแบบคำหมดคิวเล็กน้อยนะคะแต่ว่าความรู้สึกก็คือเออมันเทดีนะชื่อเนี้ย มันมันแปลกดีมันแปลกขูค่ะนี่คือที่มาของเทฟ้าอัศจรรย์นะใช่แล้วตอนหลังผมมาเปิดดูก็พบว่าในตำราดาราศาสตร์สายเล่มของบ้านเราก็มีใช่าควาว่าเทฟ้านะครับอือย่างของทหารบกทหารเรืออะไรเงี้ยเขาก็มีพูดถึงเพราะเพราะทหารเนี่ยเขาจะต้องมีเรื่องเนีอ่ยอย่างล่าสุดผมเปิดเจอ มันเป็นไฟล์ pdf ในอินเทอร์เน็ตนะครับของทหารปืนใหญ่มั้งเขาต้องมีเรียนดูดาวด้วยครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็มีพูดถึงเรื่องเทพฟ้านี้ด้วยเหมือนกันก็ใช้คำว่าเทพฟ้าผมว่าอ๋อผมไม่ได้แช่คนแรกนะตอนแรกยังคิดเลยค่ะโอ้เข้าใจตั้งชื่อจังเลยชื่อแบบชื่อเท่มากแล้วก็มันมีความหมายที่แบบ เชื่อว่าหลายลยคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหรือว่าชินกับชื่อนี้มาก่อนนะคะพอเห็นแค่ชื่อเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคืออะไรยังไงนะคะใช่ใช่ใ ช, ใชแล้วพอได้ทราบความหมายด้วยนะคะและยิ่งมาดูถึงเนื้อหาเรื่องราวของหนังสือในยิ่งน่าสนใจคุณฟังอเรามาถึงเนื้อหาภายในของหนังสือเล่มนี้กันค่ะหลายท่านอยากรู้ค่ะว่าคุณชน บอกเล่าอะไรในหนังสือเทฟ้าอัศจรรย์บ้างคะเาจริงๆแล้วนะครับหนังสือเล่นเนี้ยผมผมเล่าถึงจุดประสงค์ก่อนแล้วกันครั้งแรกที่ที่ทําขึ้นมาเนี่ยครับเอ่อโดยเริ่มต้นเนี่ยคือเราทําเพื่อสําหรับออาจจะเป็นทางเนื่องจากตอนนี้มันมีการเรียนการสอนวิชาดรามาศาสตร์ในโรงเรียนแล้วคนก็เริ่มที่จะ อรูอ้จักมีกล้องดูดาวรู้จักท้องฟ้าเนื่องกิจกรรมมากขึ้นอันนี้ต้องยกรประโยชน์ให้ทางสถาบันวิจัยหลังชารทีกระตุ้นเรื่องนี้มายาวนานนะครับเป็นสิบปีเออทําให้คนรู้จักกิจกรรมดูดาวมากขึ้นค่ะทีนี้มันจะมีมีปัญหาว่าเออคนท้องฟ้ามันมีอย่างที่ผมบอกมันมีอย่างอื่นแล้วแยะมีกระสุนดาวมีอะไแต่คนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วมีตัวไหนบ้างที่ที่มันน่าดูแล้วคน ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องดูดาวด้วยตาเราเองหรือกล้องสองตา <c oughs> นะครับ <c oughs> ค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยเป็นจุดที่พี่ที่เป็นคนถ่ายภาพพี่มีชื่ออยู่ในบนปกด้วยครั บ, <c oughs> ค, รบคุณตะคุณจิตเนี่ยแต่ก็มาคุยผมว่าเนยจากเนื่องจากแกซาดเราพวกเราดูดาวมานานนะครับแกก็บอกว่าอย่างผมเนี่ยผมทาเรื่องสเอส เพราะว่าการที่เราเก็จากกล้องดูดาจริงๆเพราะสิ่งที่เราเห็นจากกล้องดูดาวกับกับภาพถ่ายที่เราเห็นทั่วไปอะครับมันไม่เหมือนกันเลยใช่อันนี้ผมต้องบอกแบบว่ามันไม่เหมือนกันเลยคืออันนี้คนทั่วไปเขาไ ม, ไม่รู้แหละเขาถึงว่าแบบเออเวลาเราดูจากกล้องดูดาวเราต้องเห็นแบบภาพถ่ายจริงๆมันไม่ใช่จะไม่เหมือนกันเลยนี่วิธีการที่จะถ่ายทอดเออ่สิ่งที่เราเห็นตอบคาถามได้ว่า สิ่ี้เราเห็นในกล้องเรือเป็นยังไงอ่ะมันก็ต้องถ่ายทอดผ่านทางการวาดทีละครับเพราะมันไม่มีทางอื่นที่จะทำได้ค่ะทในนี้บางเลยผมในคนที่เสกแล้ววาดเรื่องนี้อยู่แล้วที่เขาก็เลยบอกว่าลองทําอยากทําสิ่งที่ที่เราทํามายาวนานแล้วทําให้คนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นไมหมอะไรเงี้ยก็ก็เลยทำเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาอันนั้นคือจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจใช่ใช่แล้วถามคําถามทีม่ว่า เนื้อหาข้างในเป็นยังไงจริงๆก็คือบอกเล่าเรื่องราวหบดท้องฟ้าเลยครับเ อ, อผมจะยกตัวอย่างเช่นเรื่องนี้ยมันเป็นเหมือนไกด์บุ๊กอะครับเวลาเแล้วเราไปเที่ยวไปเที่ยวเยวมืองจีนหรือไปเที่ยวอินเดียถ้าเราไม่เคยอ่านหนังสือนําเที่ยวอินเดียเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าในอินเดียเนี่ยจุดไหนที่เราควรจะต้องน่าน่าไปดูบ้างถูกไหม ท่ามท่ามฮัลโหลฮัลโหลท่ามอเซนตาท่ามทางมุมไบต้องไปตรงจุดน like, <e uh, ี้ม uh ีสถานรถไฟวิกตอรียมีอะไรเนี้ยครับหือว่าเออเพราะมันจะไม่บอกไม่เราจะไม่มีทางรู้เลยนอกจากเราต้องอ่านหนังสือนำเที่ยวถูกไหมไปดุมๆุมสุ่มเอาก็ไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่าเราเราต้องมีข้อมูลอยู่ในมืออย่างน้อยคือจะเดินตามไกด์บุ๊กหรือว่าหนังสือนำเที่ยวที่เราที่เราเราอ่านมาค่ะ เพบนท้องฟ้าก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีไกดปุ๊กนำทางเราก็หลงอยู่บนท้องฟ้าไม่รู้จะดูอะไรดีอืมดูไปเรื่อยค่ะครับดูไปเรื่อยแล้วก็หาไม่เจอครับค่ะเห็นอะไรแวบๆก็ว่าสวยไม่หมดอ่ะใช่ใช่ใช่ยิ่งยิ่งใช้กล้องดูดาวดูนะครับคือดูตาเปล่าเล้วเห็นท้องฟ้ากว้างมากแใช้กล้องสองตาดูมันก็จะแคบลง Mm hmm. แล้วถ้าใช้กล้องดูดาวดูนะครับยิ่งแค่ไปใหญ่เลยเหลือนิดเดียวฉะนั้นเองเพราะฉะนั้นมันเลยจําเป็นที่ต้องแบบมีเอ่อเขาเรียกว่าเป็นไกด์บุ๊กอะครับสําหรับการดูฟ้าแล้วบ้านเราอ่ะคือมันไม่มีมันขาดมันขาดหนังสือนําชมท้องฟ้าแบบนี้ไปครับ mm hmm. แบบนี้คือจะบอกว่าอันนี้เป็นไกด์บุ๊กของการดูดาว <c oughs> ภาษาไทยเล่ม <c oughs> แรกของเมืองไทยก็ว่าได้ไหยคะ เ อ, อ่ออาจจะผมก็ว่าเออบางอี่าใช้คำว่าเล่มแรกเลยครับเรียกว่าเล่มที่สมบูรณ์ที่สุดดีกว่าเพราะว่าอาจจะมีคนเคยทำมาก่อนแล้วครับแต่ว่าในหนังสื่อเนี้ยไม่ใช่แค่ใจเมืองไทยหรอกครับมผมอยากจะบอกว่าถ้าเป็นสาวิษฐ์เอเชียก็ไม่เคยมีนะครับก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันในเอเชียเองลองถามเพื่อนๆดู <K _> ก็เหมือนไม่มีนะครับที่เป็นเพือนของญี่ปุ่นผมว่าน่าจะมีญี่ปุ่นแต่เพื่อนชาวญี่ปุ่นก็บอกก็ไม่มีเหมือนกันค่ะครับแล้วก็ในจีนก็คิดว่าไม่มีครับเพราะว่าหนังสือที่เป็นไกดบุกจริงเนี่ยมันมีนะฮะถัดมาจากทางฝั่งอเมริกาหรือยุโรปทั้งหมดเลยค่ะกลครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเปิดตัวมาแล้วถึงฮือหากันมากเ <c oughs> ออครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่พิเศษมากก็คือว่าของฝรั่งเองก็ไม่มีเหมือนในสื่อเล่มนี้นะเนื่องจากว่าผมทำสเกจใช่ไหมแล้วก็มีพี่สกุลปิดกระถ่ายรูปเนี่ยค่ะดังนั้นในหนึ่งอ็อบเจกต์เนี่ยจะมีถึงวัตถุเนี่ยไฟฟ้าหนึ่งตัวจะมีทั้งภาพถ่ายแล้วก็ภาพสเกจคู่กันให้เห็นถือว่ามันมันมันแตกต่างกันยังไงทุกรายการใน ห, ห น, งหนังสือครับ คือคือมันจะมันจะเสมือนเสมือ น, นสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้ดูดาวแบบจริงจังนะก็จะได้<ช>เห็นภาพ<ช>เปรียบเทียบเหมือน <c oughs> ดูดูตาเปล่ากับดูผ่านกล้องอย่างนั้นไหมคะใช่แล้วก็คนที่ดูจริงจังก็จะได้มีบางทีเขาอย่างอย่างมีมีมีนักดูดาวที่เขาก็เริ่มเริ่มต้นได้ไม่นานนะครับคือแกก็เวลาแกดูเนี่ยคือแก ก, ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไระแต่พอมันเห็นเห็นจากที่ผมสเกสเนี่ย ก็ถึงอ๋อมันเป็นอย่างนี้อันนี้แหละคือใช่แล้วคือตอนแรกเขาก็ไม่รู้มันใช่หรือเปล่าอื<ก>อมนก็จะเป็นแบบทำให้เขาเ้าใจขึ้นคือหนังสือคุณชนจะทำให้คนดูดาวไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นรุ่นกลางๆงรุ่นใหม่รุ่นเก่าทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้การดูดาวได้ง่ายขึ้นว่ายอย่างนั้นแล้วกันใช่ครับใช่ใช่ช่แล้วก็แล้วก็อันนี้โฆษณาี่หนึ่งคือ ของฝรั่งนะก็ไม่มีนะที่มีสเก็ตคู่กับภาพถายเนี่ยไม่มีที่เอออันเนี้ยมีเพื่อนบางคนบอกผมว่าอ้อเล่มโหทำเป็นอย่างนี้นี่เล่มแรกในโลกเลยนะขอระเท่ใช่ใช่จัยกันอันนี้คือความเหนือของเราที่สามารถจะพูดได้อย่างเต็มปากคุณคุณชนสามารถดื่มน้ำได้นะคะถ้าเกิดเสียงแห้งเสียงหายผมเตรียมไว้แล้วครับค่ะตอนนี้เราสนทนาอยู่กับนักเขียน เจ้าของหนังสือเทฟ้าอัศจรรย์นะคะซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับการคัดสรรรับรับเลือ ก, อกนะเป็นหนังสือพระราชทานรางวัล <c oughs> หนังสือดีเด่นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยนะคะคุณชนวิชัยดิดค่ะคุยอยู่กับเรานะคะในช่วงของคุยกับนักเขียนนักแปลซึ่งเรื่องของดวงดาวเรื่องของดาราศาสตร์นะเป็นเรื่องที่หลายๆคนสนใจนะคะฝ่รู้แต่ว่า อาจจะเป็นเป็นการไปดูดาวแบบทั่วๆไปนะคะที่ยังไม่ได้ลึกซึ้งจริงจังนะคะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะทำให้ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของดวงดาว ด, ดาราศาสตร์ได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าถึงเสน่ห์ที่น่าหลงไหลนะคะของดวงดาวบน ฟ, าฟ้าได้อย่างเหลือเชื่อนะคะอย่างที่คุณชนได้ค้นพบค้นหามาด้วยตัวเองนะคะตลอด ต้องบอกว่ากี่ปีคะยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาประมาณครับประมาณ <laughs> <c oughs> ค่ะแล้วด้วยความที่บอกว่าหกปีในการทำหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยากทราบจังเลยค่ะคุณชนทําทำงานยังไงคะให้หนังสือเล่มนี้ออกมาเพราะบอกว่าจะต้องมีการเดินทางไปสำรวจดวงดาวมีวิธีการทำงานยังไงคะก็ <c oughs> <c oughs> อันดับแรกผมจะต้องทำ List ลิสต์รายการ วัตถุที่เราจะสังเกตก่อนนะครับทํารีสอกมาว่ามีตัวมีตัวไหนบ้างที่เราจะดูแล้วก็เอเนื่องจากว่าท้องฟ้ามันเปลี่ยนไปในแต่ละฤดูกาลนะครับก็ต้องวางแผนว่ากลุ่มเนี้ยที่อยู่บน้เขาอยู่บนท้องฟ้าช่วงเดือนอะไรแล้วเราจะสังเกตตอนไหนอะไรเงี้ยครับอ mm. แล้วครับแล้วตัวนี้เรามองเห็นหรือเรามองไม่เห็นเพราะว่าตอนแรกอ่ะเออ ต้องยอมรับว่าผมก็ไม่ได้ดูเคยดูทั้งหมดเฉะนั้นแต่ว่าผมก็จะหาข้อมูลว่าไอ้ตัวเนี้ยมันน่าสนใจมันมีคนเคยอ observe แล้วแต่ว่าด้วยความที่อุปกรณ์ที่มันแตกต่างกันเนะมันก็จะมีทั้งที่ดูได้ด้วยอุปกรณ์ของผมหรือดูไม่ได้ก็มีครับบางตัวน่าสนใจแต่แต่ดูไม่ได้อะไรเงี้ยมองไม่เห็นเป็นด้วยด้วยด้วยหลายอย่างครับหลายเงื่อนไขเอ่ออาจจะเป็นท้องฟ้า เป็นเรื่องของท้องฟ้าแล้วก็สภาพอากาศนะครับที่มันมันไม่เหมือนกันอันนี้ ค, คืออะไรคะปัญหาอุปสรรคในการทำงานใช่ใช่เป็นอุปสรรคอย่างชนิดหนึ่งเลยเสภาพอากาศและท้องฟ้าเนี่ยครับเป็นเป็นปัญหาปัญหามากๆเลยแ ล, แล้วช่วงนี้มีฝุน่น <c oughs> ช่วงที่มีฝุ่นพีเอมสองจดห้ามีส่วนด้วยไหมคะโอ้ยมีครับมีมีปัญหาเยอะมากครับทำให้ ออ่คือผมม่มีพื้นที่ใช้พื้นที่ของออที่อำเภอบ้านหมี่ที่ลบบุรีด้วยนะครับแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ไม่นึกว่าที่นั่นจะมีปัญหาเรื่องนีนะปรากฏว่าพอช่วงที่เข้าเดือนธันวาเริ่มเลยธันวาธันวามิสนากุมภาพันคือท้องฟ้ามันมัวเป็นหมดเลยครับด้วยฝุ่นควัน mm. เอองั้น มันจะดูไม่ได้เลยอ่ะคือผมก็เห็นใจรู้เลยว่าเห็นใจคนที่นั่นนะเพราะว่าตรงนั้นน่ะบางทีขอบฟ้ามันไม่เห็นเลยครับเขาหายไปเลยโอ้อ <c oughs> คือแสดงว่าฝุ่นมันแน่นมากๆใช่ใช่มันแน่นมากแน่นมากเป็นสีสีน้ำตาลเลยแหละโออเป็นสีน้าตาลเลยแลหละ ก็นั่นแหละคือคืออันหนึ่งครับแล้วก็อีกอั น, นคือปัญหาเรื่องรอกรอนก็มีผลนะครับอื ม, อมค่ะอืมเพราะ<น>ว่าอย่างครับค่ะโทษนะคะนั่นคื อ, อยังไงครับดวงดาวก็มันมีช่วงฤ ด, ดูการของแต่ละฤ ด, ดูแต่ละเดือนที่เขาจะขึ้นเป็นปกติของเขาอย่างนั้นเหรอคะอ๋อใช่ใช่ใ ช, ใช่คือคืองี้ครับคือดาวบนท้องฟ้ามันจะเปลี่ยนไป เรื่อยๆคือดาวขึ้นตะวันตกเอ่อขึ้นจากดวงออกไปตกทางดวงตกเหมือนดวงที่เหนือภาคจันทร์คับแต่ในแต่ว่าในแต่ละวันอ่ะเขาจะขยับไอทีดานี้ประมาณในองศาเบนท้องฟ้า mm hmm. นะอะประมาณประมาณนิดเดียวแต่แต่ละวันแต่ว่าพอมันรวมกันเป็นหนึ่งเดือนอ่ะมันเท่ากับสามสิบองศาฮ mm ึ hmm. ่มดูนะครับสามสิบองศาแล้วถ้าสามเดือนอ่ะ ก็คือกาฝึกองศาก็คือว่าสมมติว่ามกรานะเราเห็นดาวดวงหนึ่งอยู่ขอบฟ้าพอเดือนเมษาช่วงหัวค่าอ่ะเวลาเดียวกันอะ่ะเป็นจุดดาวดวงเดิมมันขึ้นไปอยู่กลางฟ้าแล้วออกลางหัวเรา<อ>ใช่เพราะเขาก็จะมีขยับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับ <ười> มันก็เลยค <c ười> ือ <c ười> เขาจะเป็นวงจรแบบนี้สม่าเสมอตล <c ười> อดทั้งปีใช่ไม <c ười> ใช่ครับใช่ใช่ดังนั้นในแต่ละฤดู ทงฟ้าก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเป็นปัญหาของนักดูดาวมือใหม่ที่จะหรือว่าคนที่ที่แบบอยากจะดูดาวแต่ไม่เคยเข้าใจมันสักทีเพราะว่าเขานานาเขามาดูแกเขาก็เลยงงไปหมดเลยว่าทำไมอะไรจะอยู่ตรงไหนมันเยอะไปหมดอคือไม่ใช่ว่าอยากจะมาดูวันนี้ <c oughs> เดือน น, นี้แล้วคุณจะได้เห็น อาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้หรือเห็นชัดไม่ชัดอีกเรื่องนึงใช่ใช่ใช่ใช่ใช่บางคือบางคนที่ผมเจอมาเขายังไม่รู้คือซ้เขายังคิดว่าดาวมันอยู่อยู่ตรงนั้นเสมอตลอดเวลาคือซ้ำไปนะเขาลืมไปว่าโลกมันเล่าตัวเองครับค่ะเหมือนยังไงคะเวลาที่คนเดินทางก็จะบอกว่าให้สังเกตอะไรนะคะสังเกตดาวเหนือดาวอะไรสักอย่างเออแล้วถ้าถ้าคุณไม่เห็นแถ้ามี ตนไม้บงังหรือภูเขาบางังหรือว่าตึกบงังเราไม่เห็นดาวเหนือทำไงครับเสร็จเลยสิครับใช่ไงครับมันก็มันก็ใช่ครับดาวเหนือก็ไม่ไม่ผิดนะเพราะว่ามันเป็นมาร์กที่แบบที่แบบเออใช้กันทั่วโลกครับอืมเแต่ว่าถ้าเรารู้จักกลุ่มดาวกลุ่มอื่นเราก็ยังหาทิ่ได้โดยที่ไม่ต้องเห็นดาวเหนือก็อมีครับค่ะเพราะฉะนั้นยังไงคะก่อนที่เราจะมา do <c oughs> ดูดาวเนี่ย เราต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของดวงดาวด้วยถูกต้องไหมฮะธรรมชาติของโลกนี่ครับของท้องฟ้านี่นะครับว่าแบบว่าการว่าเาเรียกว่าอะไรอะเออระเบียบท้องฟ้าดีกว่าไมหมายคําว่าระเบียบเออระเบียบของท้องฟ้าเขามีขึ้นมีตกมีอะไรอย่างเงี้ยครับอพอใช้คำนี้แนละ้วเห็นภาพชัดเลยค่ะ ดวงดาวก็มีระเบียบของเขานะมีแบบแผนของเขาใช่ใช่แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละฤดูอืออันนี้ถือหนึ่งเรื่องเรื่องมันอยู่สภาพอากาศนะครับก็มันก็อาการณ์ไม่ได้เน้ะเดี๋ยวเมฆถ้ามีเมฆมันก็ดูดาวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้ามีเมฆบางๆมันก็ไม่ได้บางทีฝนตกบางทีอะไรเงี้ยครับ โอ้สารพัดค่ะอย่างนี้ฟังดูแล้วนับวันอย่างปัญหาหมลภาวะ <c oughs> ปัญหาโลกร้อนต่างๆเนี่ย <c oughs> มันนับวันมันจะเพิ่มมากขึ้นมันก็จะมีผลทำให้เราดูดูดาวกันยากขึ้นไหมคะใช่ครับแล้วมันไม่ใช่แค่มลภาวะแบบฝุ่นแล้วก็โลกร้อนนะมันยังมีเรื่องมลภาวะทางแสงเคยได้ยินไหมครับอ๋อค่ะ Light ูลูชันเลยครับ<ม>การใช้แสงสว่างมากเกินพอดีอเห็นเห็น ท, <ม>ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากมา ก, มา ก, มากบ้านเรานี่เป็นยังไงคะ บ, บ้านเราตอนนี้ก็มีการรณรงค์เรื่องนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ อ, อ, อย่างทางทางนาวิ์หรือว่าสตอรรอลสาวิจัยรารสนิช า, ะะชานะครับก็ก็ทำทาโปรเจกต์ร่วมกับททท อว่าเรื่องเอพื้นที่หรือเขตอนุรักษ์ค่ามมืดคดีไหมครัค่ะคดีอันเนี้ยก็คือเป็นพื้นที่ที่เขาเอบริหารจัดการมีการบริหารจัดการเรื่องแสงสว่างตลอดเหมือนว่ะเหมือนว่าจะสงวนไว้เลยว่าพื้นที่เนี้ยอในพื้นที่ของเขานณในพื้นที่ของเขานะมีการบริหารจัดการแสงสว่างในพื้นที่ของเขาเขามีพื้นที่ที่แบบ มีการให้ให้คนดูดาวมีอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วก็ในประเวณนั้นก็อาจจะต้องไม่มีไฟกวนอะไรประมาณนั้นถามว่าถ้าในพื้นที่ดาสกายเขาบริหารจัดการดีแต่ว่ารอบนอกอ่ะรถเข้าไปรีสอร์ทใช่ไหมเขาเป็นรีสอร์ทดาสกายแต่ว่ารีสอร์ทตกดกันเขาไม่ทำแล้วเขาก็เปิดไฟถามว่ามันมันก็มีผลเหมือนกันะฉะนั้นฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ใช่ไม่ไง่ายแล้วก็แต่ผมก็ว่านะอย่างน้อยคืออพอได้ทําเนี่ยถ้าคนรู้จักมากขึ้นแล้วกลายเป็นจุดขายในการดูดาวเป็นจุดขายให้การท่องเที่ยวเนี่ยรีสอร์ทที่เขาเคยไม่เคยรู้จักหรือว่าคนที่เขาเคยใช้ไฟเกินแล้วฉายทึงทองฟ้าเนี่ยครับเขาอาจจะเปลี่ยนใจแต่ก็หวังว่าเขาจะเปลี่ยนใจแล้วก็ ไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนคมไปเปลี่ยนอะไรอย่าเงี้ยครับเพื่อช่วยให้ให้ให้ท้องฟ้ามืดลงค่ะอย่างน้อยก็มีจุดเริ่มต้นละเรามาสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจเพิ่มเติมกันใช่ใช่ใช่ใช่ใหวังว่าจะมีแนวร่วมเพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับใช่อืก็หวังว่าอย่างนั้นครับน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี มีสถานที่ดูดาวแนะนำในหนังสือด้วยไหมคะโอ้ไม่ได้มีเขียนไว้เลยครับแต่ว่าผมแนะนำว่าถ้าเราเข้าไปนะครับเดีย๋ยวนะผมลองดูว่าเออดั Dark Sky, mm hmm. ถ้าผิวของว่าด mm ัก k กายดักสกายดักสกาย n าว เขตอนุรักษ์ฟามมืดก็ได้ครับอืมก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของนาวิศนะครับของเขตอนุรักษ์ฟามือเขาก็จะบอกจุดหรือว่าพิกัดให้เลยแล้วเขาก็จะมีมีเขาจะแบ่งว่ามีอุทยานฟามือที่เขาได้รับการรับรองแล้วมีที่ไหนบ้างแล้วก็มีเออ่ชุมชนนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะถ้าแบบเขตอนุรักษ์ฟามือที่เป็นเป็นเป็น เป็นพื้อที่อุทยานก็จะมีห้วยน้ำดังผาแซ่มบูเขียวบูแลนคาปเหินงานอย่างเงี้ยครับอือมียกยกตัวอย่างนะแต่ว่าครับหรืออย่างชุมชนนะฮะชุมชนเนี่ยชุมชนเดี๋ยวนะอ๋อชุมชนผมไม่มีชื่อแนคะ่ <S <S แต่ว่าจริงจริงมันมีอยู่หลายชุมชนเลยครับแถวาเท่อเชียงใหม่ก็มีหลายที่ครับ จังห ม, ห ม, ม, ม, ห ม, มัมีอะไรที่มีเดือนละมีเช่ังหวัดเขามีเชีนดาวมีพาวมีอะไรเงี้ยครับอเอาเป็น ว, ว่ามีที่โปรโดไหมฮะที่คุณชนมักจะไปดูดาวอยู่บ่อยๆจะนึกถึงเป็นที่แรกๆเลยก็อถ้ายกเว้นที่ผมไปประจํำหมายถึงว่าที่กล้องดูดาวผมอยู่นะค่ะเออจุดกล้องดูดาวผมนั้จะอยู่ที่เออที่ที่ไร่สวนลําสุวรรณที่สถามเขาใหญ่อันนั้นอันนั้นโอเค แต่ทางปากช่องทางอะไรเนมะีมีรีสอร์ทมีอะไรที่ที่เออยู่ในโครงการความมือนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าแถวตรงนั้นไม่ค่อยมืดเท่าไหร่แต่ถ้าถามผมนะที่ที่ผมชอบที่สุดที่ไหนดีอ่ะแ <c oughs> สดงว่ามีหลายที่หลายที่ <c oughs> อืเออเอาเอาที่ที่ผมผมอยู่ในใจผมแล้วกันเนาะค่ะ <c oughs> อ, อุทยาแห่งชาติภูสวนทราย อยู่ที่ไหนคะอำเภอไนเฮวจังหวัดเลยอโอ้ใจหน่อยโอ้จะบอกว่าเ <c oughs> ดิฉันไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะโอเคไนเ้วเนี่ยจะอยู่ตรงรอยต่อตรงหัวแหลมระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับอืมเออตรงนั้นเลยค่ะ <c oughs> แล้วสั่งลาวเขาก็ไม่มี เมืองไม่มีอะไรฝั่งเราก็ไม่มีเป็นตรงนั้นมืดสนิดแต่ว่ามันก็ชืน้นใช่มันชืน้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นสถานที่ที่เพอร์เฟนะครับเพราะว่ามุมมองมันก็แคบคือเขาไม่มีลา น, นกว้างๆเนี่ย hmm. แต่แต่ว่าก็ทดแทนด้วยเจ้าหน้าทีน่ารัก <c oughs> น้ำอุ่นให้อาบ oh. อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วอยู่ได้อยู่ได้มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำให้ผม อยู่ได้ทั้งอาทิตย์โดยที่แบบเออสบายใจไม่ลำบากจนเกินไปด้วย <c oughs> ใช่ครับไม่ลำบากไม่ลำบากอันนี้ก็แนะนำนะสาหรับนักดูดาวได้เลยอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายใช่ไหมคะใช่ครับ <c oughs> ใช่แล้วก็เออ <c oughs> แต่ถ้าถามว่าจุดไหนที่มืดที่สุดในประเทศไทยนะดีที่สุดผมก็คิดว่าบนยอดดอยนอนท์นะครับ <c oughs> หมายถึงว่าทั้งบดยอดนะ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยปัญหาคือว่าโดยปกติจะไม่อนุญาตให้ขึ้นไปช่วงเวลากลางคืนอ๋อแล้วทำยังไงถึงจะขึ้นไปอยู่กลางคืนได้ล่ะคะเพราะดิฉันก็ขึ้นไปแต่กลางวันใช่วิธีการนะครับตรงนั้นมีหอดูดาวแห่งชาติอยู่นะครัซึ่งหอดูดาวแห่งชาติของอาลุสเนี่ยหอดูดาวซิดินทรเนี่ย จะเปิดโอ e n House ปีละสองครั้งช่วงไหนคะมกลากับกุมภาแล้วเขาจะเปิดให้จองประมาณน่าจกพิจิกามนครับพิจิกาธันวาเนี่ยต้องคอยตามจากเว็บไซต์ของมริสอ้อก็ก็รับแค่ประมาณหนึ่งร้อยคนต่อต่รอบใช่ก็ต้องแย่งชิงกันนิดนึง เพราะว่าเรื่องรับมากกว่านั้นไม่ได้เพราะพื้นที่ค่อนข้างจํากัดครับบนหอดีดแห่งชาครับแล้วก็ดีแล้วค่ะจะได้ไม่ไมหนาแน่นเกินไปนะครับแต่ร้อยคนก็แน่นมากนะครับอืมแล้วก็เออากาศหนาวมากอืหนาวสุดๆครับหนาวสุดๆตรงนั้นมกราคมพาโอ้โหกำลังดีเลยใช่ใช่ครับคือก็ ทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มอะครับสี่ทุ่มก็ลงมาก็เดินทางดอรถตู้ที่เขาจัดไว้ครับนล่นจะเป็นโอกาสเดียวที่จะขึ้นไปดูดาวเงบ น, นยอดดอยฉนนได้ค่ะเดี๋ยวปีหกเก้านี่ต้องมีศึกแย่งชิงเพิ่มเติมแน่นอนนะ <laughs> <c oughs> คุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วก็สนใจเรื่องของการดูดาวนะก็เลยได้ทราบเลยว่ามีที่ไหนที่น่าสนใจ <c oughs> บ้างคุณชนก็ได้แนะนา นะคะแต่อาจจะมีอื่นๆที่มากกว่านี้อีกใช่ไหมคะที่เชื่อว่าบางท่านอาจจะค้นพบมีพี่ดูกับผมก็ได้ะครับแต่ถ้าถ้าสวยนาสนใจนะก็ก็เพราะว่าผมก็สูงก็ไปวิเคราะหดาวอยู่ที่อยู่อยู่แล้วแล้วก็วส่วนปกติก็จะฝึกคนก็อยากไปดูดาวแล้วก็ผมก็จะสอนก่อนก็พาดูท้องฟ้าแล้วคิดว่านะคะ หลายหคนก็อยากจะว่าตามผมเหมือนกันอืนเข้าไปใช้กล้องดูดาวก็คือเรียนรู้ดูดาวกับครูชนเลยนะครบวงจรได้ยังได้อยู่เหมือนกันถ้าสนใจจะจะไปติดตามคอสดูดาวหรือว่าการอบรมอะไรดีติดตามติดตามผมจาก Facebook ของผมก็ได้ครับผมว่าได้จะดูที่สุดค่ะแล้วเดี๋ยวผมค่อยโพสต์ไปก็คือไปดูนี้ จากหน้า a ฟ e b o o k นะคะใช่ครับน a c e b o o k กของผมค่ะเป็นช่วงนี้เนี่ยมันมันมีเริ่มมีฝนนะครับเดีจะรอช่วงเมถ้าอาจจะไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้าไปดูดาวที่นั่นค่ะ a c e b o o กก็ชื่อคุณชนวิชัยดิตเป็นภาษาอังกฤษนะคะใช่ครับใช่ C H O L V I C H A I D I T ค่ะอ่า ไปติดตามกันได้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในหนังสือของคุณชนนะคะที่เ็าบอกว่าแผนที่คลุมฟ้าอ่าอันนี้คืออะไรคะคือแผนที่คือแผนที่ดาวเนี่ยคือผมใช้คำว่าคลุมฟ้าเนาะผมไม่รู้จะแปลยังไงเหมือนเดอันนี้ผมตั้งขึ้นมาเอง <c oughs> มันภาษาอังกฤษใช้คำว่า off sky Map ครับอืม <c oughs> พอเป็น guard, ออไการผม่็เออจริงๆนี่ยไอแผ่นที่อันเนี้ยบางคนก็บอกว่ามันไม่ีความตึเต็นแล้วในยุคหนี้เพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่ใช้ดูดาวใช่ไหมครับ <H it> ก็สามารถที่จะยกขึ้นดูท้าลนองฟ้าแล้วรู้เลยว่ามันเป็นกลุ่มดาวอะไรใช่ไหมครับ <H it> แต่ทีนี้เนื่องจากผมมันมีความรู้สึกว่าผมเปรียบเทียบอย่างนี้ว่า ไอ้แมพนี่มันแอปพลิเคชันดูดาวพวกนี้ก็ก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีผมเองก็ผมก็ใช้อยู่แต่ว่ามันจะคล้ายๆกับเราขับรถ ด, ด้วย Google Maps รอครับค่ะสังเกตไหมครับว่าเวลาเราใช้ Google Maps ให้นำทางเนี่ยมันก็ไปถึงปลายทางนะครับแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าจุดนั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนถ้าแบบไม่มี Google Maps เราก็ไปไม่ถูกเลยใ ช, ใช่ไหมค่ะ บางทีพาเราไปหลงด้วยนะอ่ะทีนี้ทีนี้ไอแผนที่กลุ่มฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมมองเห็นภาพรวมของท้องฟ้าในแต่ละแต่ละเดือนแต่ละช่วงเวลาว่ามันเป็นยังไงค่ะแล้วเราจะได้เห็นว่ากลุ่มดาวกลุ่มนี้ขึ้นมามีกลุ่มนี้ตกลงไปมีกลุ่มดาวทิ่ค้างเคียงมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับอืมมันจะทําให้เรา เข้าใจภาพรวมของค่อยๆเข้าใจภาพรวมของฟ้ามากขึ้นเพราะว่าถ้าเราใช้แอดูดาวอย่างเดียวครับมันก็ยกภาพขึ้นแล้วก็บอกอ่าโอเคดาวตรงนี้นะแต่เราเราไม่ไม่เข้าใจความสัมพันธ์อื่นๆหมดท้องฟ้าเลยอืมค่ะค่ะอืครับ อ, อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของแผนที่คลุมฟ้าใช่แล้วแผนที่คลุมฟ้าก็จะมีทั้งหมดสิบสองภาพนะครับแต่ละภาพ แต่ละภาพาก็จะเป็นเดือนแต่ละเดือนครับแต่ละเวลาด้วย อ, อบบก็ก็คือสมมติสมมติ น, นะคะตอนนี้เดือนเมษาเราก็เปิดเดือนเมษาเทียบได้เลยใช่ก็เทียบเลยแต่มันจะมีเวลาบอกนะว่าเป็นเดือนเมษาอาจจะสองทุ่มอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นต้นเดือนเป็นทุ่มหนึ่งถ้าเป็นปลายเดือนเป็นสามทุ่มอะไรเงี้ยจะขยับนิดหน่อยผมจะเขียนไว้ในนั้นละเอียดละเอียดขนาดเรื่องถึงเรื่องเวลาด้วยเลยนะคะ ใช่ใช่ใช่เพราะว่า ม, มันต้องต้องใช้ครับแล้วก็ไอ้ภาพสมว่าเปิดเดือนในสายยนช่วงหัวค่าอย่างเงี้ยภาพเดียวกั น, น, นข้างล่างเกี่ยวเวลาด้วยท้องฟ้าภาพเดียวกันเนี้ยมันสามารถเห็นได้ในเดือนอื่นด้วยนะครับอืมแต่เป็นคนละช่วงเวลาอาจจะเป็นเอ่อเช่นอีกสี่ห้เดือนข้างหน้าแต่จจเป็นช่วงหัวเช้ามืดอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับค่ะค่ะ โอ้โหเรียกว่าสมบูรณ์แบบมากนะฮะสําหรับหนังสือเล่มนี้จะเป็นไกด์บุ๊กสาหรับนักดูดาวก็ได้เลยใ ช, ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วสาคัญก็คือว่าเอในแต่ละคือหนังสือเล่มนี้ยแบ่งเป็นหกบทนะครับค่ะแต่ถ้าไม่ถ้าไม่นับไม่นับไม่นับไอ้พื้นฐานของรู้พื้นฐานด้านหน้าเนี่ยไอ้ตัวเนื้อบันจริงๆจะแบ่งเป็นหกบทแต่ละบทเนี่ยอย่างบทที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของ p e r ร์ซีอูะ อันโดเมันเป็นท้องฟ้าช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาครับเริ่มต้นเปิดฤดูหนาวขึ้นมาก็คือกลุ่มดาวเด่นตรงเนี้ยมันจะอยู่บนท้องฟ้ามผมก็แนะนําว่าเออ่ดูตรงนี้แหละแล้วทำคำาความรู้จักกลุ่มดาวตรงนี้มีแผนที่ให้แล้วก็มีแผนที่แบบเจาะลึกละเอียดว่าเ อ, อ็อบเจกต์แต่ตัวอยู่ตรงไหนแล้วเราเปิดเข้าไปดูข้างในนั้นก็จะเห็นว่า สมมติว่าตัวแรกเป็นกาแล็กซีหรือดาราจั ก, จก eda, จรแอนโดรเมดาใช่ั้ยครับผมก็จะเล่าเรื่องดารจาจักว่าตัวนี้ใครเป็นคนพบคนแรกแล้วมันคืออะไรไค่อยๆเติมเข้าไปเรื่อยๆมีภาพถ่ายแล้วมีภาพสเกจให้เห็นว่ามันเป็นยังไงที่เราเห็นจกกล้องดูดาวครับแล้วก็จะเป็นเส้นทางตัวที่หนึ่งหยุดตำแหน่งอยู่ตรงนี้จะหาเจอได้ยังไงแล้วก็ไปตัวที่สอง ให้วิธีการหาหาอย่างไงพอหาเสร็จปุ๊บตัวที่สองเป็นตารางแทรนกลุ่มเนี่ยภาพก็จะซ้ำเดิมก็คือรายละเอียดของาตารางตัวนี้เป็นยังไงภาพถาดภาพสเก็ตเป็นยังไงมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจสำหรับสาหรับตารางจุบ้านก็ะจะมีใน แ, แต่ละตอนก็จะเกจความรู้แทรกไว้ให้นะครับที่จำเป็นต้องรู้อะไรอืม คื อ, อถือว่าวเป็นไปอย่างนี้ใช่ใช่เป็นหนังสือที่สมบูรณ์แบบใช่ครับแล้วก็อย่างชั่นหนึ่งก็เป็นสุดอาร์ทที่หนึ่งอนโดรเมดาก็จะเป็นช่วงพิการทันวาใช่ครับพอพอพาร์ทที่สองเป็นเอ่อผมจำไม่ได้ลนวะอะไรแต่ก็จะเป็นวงกลมฤดูหนามวมั้งก็จะเป็นช่วงประมาณมกุกดาุมพามีนาอะไรเงนี้ครับจะเป็นกลุ่มดาวแถวนั้นแล้วก็ ข้างในมีอะไรบ้างมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆครับแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นทุ่งดาวจากช่วงเวลาที่เราจะดูดาวจากกันคะจะอยู่ประมาณมีนานในสัปาห์อะไรอย่างี้ยช่วงนี้นะครับอืะค่เราจะเป็นอย่างนี้ไปจนครบปอีอย่ารอช้านะสําหรับคนที่รักดวงดาวดาราศาสตร์นะคะแม่ว่าท่านจะเป็นมือสมัครเล่นนะ มือใหม่มือเก่าหรือว่ายุคกลางๆ ก, ก็แล้วแต่นะคะมาเติมเต็มความรู้เรื่องของดวงดาวบน ฟ, าฟ้าค่ะด้วยหนังสือเล่มนี้นะคะเทฟ้าอัศจรรน์ตอนนี้มีวางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปใช่ไหมค ะ, ะใช่ครับหรือไม่ก็ผมแนะนำว่าสั่งจากสำนักพิมพ์สารคดีโดยตรงก็ได้ครับเพราะบางที บางทีเหมือนกับว่าถ้าไปตามร้านหนังสืออาจจะไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้มีลงทุกร้านหรือเปล่าไม่แน<อ>่ใจค่ะครับตอนนี้ติดต่อผ่านช่อ ง, อางทางออนไลน์ก็ได้นะคะใช่ใช่ในในช่องทางออนไลน์ในช็อปที่เราได้อะไรพวกนี้น่าจะน่าจะมีครับพวกพวกนั้นน่าจะมีอยู่การ์ดวัพิมก็น่าจะมีค่ะท้ายสุดตรงนี้ค่ ะ, ค, ะคุณชนอยากจะฝากอะไรกั บ, ค, บคุณฟังหนังสือนักอ่านคนที่ รักดวงดาวบนฟากฟ้าเนี่ยค่ะบางท่านอาจจะบอกว่าไม่เคยอยากดูดาวมาก่อนเลยวันนี้ฟังคุณชนละเริ่มอยากดูดาวขึ้นมาเลยก็ผมอยากฝากนะครับว่าค่อนอกจากเราดูแล้วแนะนำครับวิธีการสังเกตและจดบันทึกผมแนะนำเลยว่ามาันเป็นเป็นเส้นทางแลเป็นวิธีการที่ทาให การเรียนรู้ของเราสร้างลงแล้วก็มีประโยชน์จริงๆครับอืแนะนําเรื่องนี้เลยแนะนำเรื่องนอกจากคุณดูแล้วอยากให้จดเหมือนกันค่ะหลายท่านอาจจะค้นพบความสุขบางอย่างที่คุณชนได้ค้นพบก็เป็นได้นะคะ <c oughs> ใช่ ใ, ชใช <c oughs> วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณชนวิชัยเดิตนะคะเจ้าของผลงานหนังสือเทฟ้าอัศจรรย์ซึ่งทราบว่ากําลังจะแปลเป็นภาคภาษาอังกฤษเร็วๆนี้ใช่ไหมคะ อ๋อ oh, ใช่ครับใช่กําลังแปลครับตอนนี้กําลังแปลอยู่เลย uh huh. เพราะว่าผมผมว่าเออเนื่องภาษาอังกฤษนี่มีฝรั่งนี่เขาก็คือที่ที่ที่เออผมดูดาวอยู่ก็มีฝรั่งม า, าก็อยากได้อยู่กันก uh ็ huh. มีหลายหลายคนกขาถามถึงก็ก <Okay. S 2> ็เดี๋ยวฉันลองแปลดูครับ เอาใจช่วยให้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ไวๆแล้วก็อรอรติดตามผลงานเล่มต่อๆไปด้วยนะคะคุณชนวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือชั่วโมงของคุยกับนักเขียนนักแปลของเรานะคะสัมภาษณ์สดค่ะกับคุณชนวิชัยเดชนะคะหนังสือเทฟ้าอัศจรรย์เป็นหนังสือดีนอ่านนะ ได้รับพระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่นช่วงของงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ผ่านมาด้วยค่ะจากาติดต่อไปที่สำนักพิมพ์สารคดีได้นะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ทีมงานครอบครัวตามตะวันของเรานะคะอาจารย์มนทิการสุขขวัญทีมงานส่วนเทคนิคนงนุษประเสริฐวชิวระกุณบายวันจันทร์ขออนุ ญ, ญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ